ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมประโพธิญาณกำลังขยายเข้าความพิสดารของปฏิจจสมุปบาทในช่วงที่พระตถาจารย์ท่านอธิบายซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่ฟังให้ติดตามมานะฮะคือจะมีการอธิบายปฏิจจสมุปบาทสามช่วงแต่ว่า มีความพิสดารที่แตกต่างกันเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งยากต่อการทาความเข้าใจแล้วราตรกาาจาร์ท่านก็มานิยามถึงลักษณะกิจรปรจุปฐานเขาเรียกอย่างงี้เรียกว่าลักษณะที่จตุกะวันก่อนเรพูดมาถึงอุปท า, านอุปท า, านที่จําแนกออกไปเป็นสี่ประเภท คือเรื่องของกามเรื่องทิฏฐิเรื่องถือมั่นโดยศีลวัดแล้วก็ถืออัตตาตัวตนก็เป็นอาการของโลภะเจตสิกกับทิฏฐิเจตสิกจนเราจะเห็นว่าทิฏฐุปาทานก็ดีสีแล้วปัตุปาทานก็ดีอัตวาตุปาทานก็ดีเป็นทิฏฐิแล้วการมุปาทานก็เป็นกามเป็นโลภะ ซึ่งในเรื่องเหล่าเนี้ยบางทีเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยๆและจากการสังเกตนะฮะรู้สึกจะมากกว่าสี่ข้อนี้บริชายคำว่าเอตังมะมะนั้นของเราเอสวามิเอสวา ม, มัสมิเราเป็นนั้นเป็นนี้เป็นโน้นก็ว่ากันไปเอโสมอัตตานั้นเป็นตัวเป็นตนของเราเราจะเห็นว่ามันมันตัวพื้นฐานจริงๆเนี่ยคือสิอทธิติจะเห็นว่าเป็นตัวเป็นตน แล้วเราจะลองสังเกตว่ามนุษย์มันมีอัตราเรื่องอยู่ข้างในแล้วถ้าเกิดมาในสกุลสูงมีฐานะ ท, ทางทรัพย์สินมากมีฐานะทางเศรษฐกิจดีสังคมดีครอบครัว ด, ดีโตขึ้นมาการสาสาูงอวคอัตราบัรยายมากคื อ, อยังนึกถึงเรื่องปลาเราว่าเรื่องสมรสรศักดิ์นี่เป็นเรื่องที่น่าคิด หรือเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยอยากจะคิดเท่าไหร่นะเพราะว่าเราไม่มีสมณศักดิ์แต่พอมีสมณศักดิ์มันก็มาคิดดูก็เห็นว่ามันเป็นดาบสองคมคือถ้าเ ร, เรารู้จักรู้จักสถานะของมันว่ามันเป็นราชสักการะที่พระมหากษัตริย์ทรงเห็นคุณธรรมความดีของพระเตระรูปนั้น แล้วไม่รู้จะบูชาด้วยอะไรเลยก็ยกย่องยกย่องด้วยสมณศักดิ์คือสถานภาพของสมณะและจะเรียกชื่อให้เห็นเรื่องคุณธรรมของท่านอยางเมื่อก่อนเนี่ยเราได้ยินสมณศักดิ์เนี่ยเรารู้เลยว่าพระองค์นี้เก่งทางไหนแต่เดนนี้เอานิยาไม่ค่อยได้คือตั้งกันไปอย่างนั้นเองครับไม่ได้ดูคุณธรรมของท่านเหลนั้น มไม่มีลักษณะคล้ายๆกับเอตัคขะพิภเจ้าทรงแสดงเติมสมมติว่าพระองค์เนี่ยมีความรอบรู้มีความสงบหรือว่าองค์นี้เป็นนักปราด อ, อย่างนี้อย่างเย็นทำบาโมกในเรารู้ว่าเป็นนักปราดธรรมโกษาในเรารู้เป็นนักเทศอ่ะหรือว่าธรรมบิดกเนี่ยเก่งทางปริยัติแหละคือชื่อไมนจะบอกททดีเลย ย่งศาสนาโสคนเนี่ยแสดงว่าทำหมูนห่นคณะงามก็ส่วนมากจะเน้นไปทางความเป็นนัก ป, าปราชญ์โรมันีเนี่ยจะเน้นไปที่ความบริสุทธิ์ความเมตตากรุณาอะไรอะไรนี้คื อ, ค, อคือเราจะเห็นภาพอนึกภาพออกก็แสดงว่าเป็นการเน้นย้ำให้พระเหล่านั้ น, นรับภาระธุระพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น เป็นพระาสั่งสอนเพิ่มขึ้นช่วยระงับอธิกรณ์ให้เรียบร้อยดีงามและนุครอะหพระพิสูจน์สำเนียกว้างขวางออกไปตามฐานอันดอนศักดิ์ที่ทรงพระราชทานเออได้ใช้อย่างนี้แล้วก็เป็นคุณเนี่ยเป็นคุณเนอะมากๆแต่ทีนี้จะใช้ไปอัตราบรรหญ่โตนะสมมติรออายุสี่สิบกว่าเนี่ยเป็นราชาคณนะชั้นทำไปนั่งยืดได้คนระดับตั้งหกสิบกว่าแล้วรุ่นพ่อไปนั่งกราบอย่างเงี้ยมันก็เป็นอภิมงคล แล้วก็ละเมิดพระวินัยด้วยไม่เคารพในพระวินัยที่พระเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้มีอาบัตเต็มหัวเลยพวกนี้มันถ้าใช้เป็นแล้วเป็นคุณนะใช้ไม่เป็นก็เป็นโทษแล้วเราสังเกตาทางข้างนอกนี่เขามองในแง่เป็นโทษมาเองเคยตอบสัมภาษณ์วิทยานิพนธ์อะไรต่างๆไปไปหลายครั้งแล้วนะะ ก, ก็มีมีคนมาถาม เ, เราก็พอพูดได้เราก็พอมองได้นะฮะเราก็อยู่ชั้นกลางกลาง หรือไม่ถึงก็ใหญ่แต่ไม่ถึงก็เล็กแล้วก็ดูดูเออดีไม่ดีในกิเลสเพิ่มไปตามสมณศักดิ์แล้วก็ยุ่งกันนะต้องรู้จักเขาแล้วก็ใช้เขาเป็นเครื่องมือเราไม่ใช่เราตกเป็นเครื่องมือเขาแล้วก็สามารถสนองงานพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นภิกษุสนองงานพระมหากรสในฐานะเป็นพระสงฆนิก่อน สามารถสนองงานชาติบันเมืองในฐานะเป็นราชดอนได้ถ้าเราใช้เป็นก็มีข้อแม้อย่างเงี้ยอันนี้ที่จริงก็คืออะไรล่ะมันก็เกิดมานะว่าเราเป็นทีนี้การมานะว่าเราเป็นเนี่ยปัญหาว่ามาณ น, นี่ใช้บวกหรือใช่ลบล่ะประชาชนในทางบวกก็ได้ระดับระดับโลกเนี่ยประชาติในทางบวกก็ได้ มานะว่าเราเป็นพระต้องทําให้เหมาะสมแก่ความเป็นพระมานะว่าเราเป็นกษัตริย์ต้องปฏิบัติราชภาระให้เหมาะสมแก่กษัตริย์ชั้นดีมานะว่าเราเป็นนายก ร, รัฐมนตรีต้องทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ดีมันก็ดีอะระดับโลกมันก็ใช้ได้แต่ว่าตามปกติแล้วเนี่ยมันมักจะแพ้กิเลสเพราะมานะมันเป็นกิเลสคือมักจะใช้ในทางเสือมัตตาตัวเองไงมากยิ่งขึ้นแล้วในที่สุดก็หลงตัวเอง มันจึงกลายเป็นก็เรียกว่าโลภเจตสิกคือโลภอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแล้วบางคราวเนี่ยเราก็ได้ข่าวว่ามันขึ้นกันปวดพลาดได้เกิไม่เราคุณทําความดีอะไรมันไม่เคยเห็นมีอะไรเดี๋ยวมันขึ้นกันปวดพราดปวดพลาดเออลูกน้องใครลาค่าของคนอยู่ที่คนของใครแล้วในสุดมันก็กลายเป็นเป็นดาบสองคมอย่างที่ว่า คือถ้าไม่เพิ่มตัณหาเพิ่มมานะเพิ่มทิฏฐิขึ้นมันก็เป็นโทษแต่ถ้าคลายตัณหาคลายมานะคลายทิฐิใช้สถานภาพาตัวเองเนี่ยปฏิบัติภารกิจที่มีมาโดยตําแหน่งเนี่ยให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นก็จะกลายเป็นคุณูปการต่รอพระพุทธศาสนาเป็นนั้นมากเมืก่กรก็มีคนมีแบบสอบถามมา คือในตานองจะให้เลิกนะฮะบอกว่าเลิกก็ได้ก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่ว่าเลิกแล้วเนี่ยอะไรก็ตามนะลักษณะขององค์กรทั้งหลายเนี่ยมันมีตําแหน่งมันมีอํานาจมันมีหน้าที่แล้วถ้าไม่มีตําแหน่งเนี่ยมันจะไม่มีหนา้าที่กํากับตําแหน่งทีนี้เมื่อมีหน้าที่มีตําแหน่งมันก็ทําให้มีอํานาจในการบฏิบัตรริภารกิจการงานล่านั้น ส่วนจะเรียกชื่อยังไงก็ได้ไม่ได้แปลกอะไรแต่ว่าเราต้องเข้าใจมันวันนี้บทสมมตินะเล่นละคร น, นะพยายามตีบทให้แตกแล้วก็เล่นให้ดีมันก็ใช้ประโยชน์ได้แต่ตีบทไม่แตกแล้วไปหลงประเด็นก็ยังนึกชื่นชมสมเด็จพระมหาสนาจเจ้าทรงเป็นราชาคณะมาตั้งแต่ 3, สมพรรษานะะ ก็เป็นพระองค์เจ้าเป็นพระนุชาของรัชกาลที่หา้าเวลาทรงแต่งตํานาวยากรณเรียบเรียงตํานาวยากรณเนี่ยสูงยกตัวอย่างประโยคประโยคหนึ่งขยโสรัฐานธมเชยยะก็ได้ยศและยาเมาปราะยศเนี่ยมันจะก่อให้เกิดมานะแล้วก่อให้เกิดตันหาแล้วก่อให้เกิดทิฏฐิได้ง่ายถ้าไม่รู้จักเขาแต่ถ้ารู้จักเขา ก็ใช้เขาให้เกิดประโยชน์ได้ง่ายเช่นเดียวกันมันก็อยู่ที่เรามีปัญญาเข้ากํากับมากพอหรือไม่ในฐานะที่เป็นโลภะเจตสิกกับทิฏฐิเจตสิกนี่มันก็ก่อให้เกิดการยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ไปลักษณะโดยความรู้สึกของเราของเราโดยความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโ น, น้นเป็นตัวเป็นตน แล้วก็ขอให้เกิดเป็นอัตตาตัวตนทวรขึ้นมาก่อนก็แล้วแต่มันจะไปะยึดติดเราขนาดไหนแล้วยึดติดแล้วจะไม่มีการไม่ยอมปล่อยเป็นหน้าที่คือก็ยึดอยู่งั้นนะฮะยึดอยู่นี้ไม่ยอมปล่อยแม้แต่ขันมันทโซมนะฮะร่างกายที่มันโสมโนมมันควรจะตายแต่ว่าไปยึดติดในในจังขา ร, ร่างกายตรงนี้อยู่ คือไม่ยอมปลงปกไม่ยอมปล่อยวางบางครั้งบางคราวที่สมัยเป็นเด็กไม่เคยอ่านหนังสือเรื่องหนึ่งเรื่องนายพรานคืนศีลก็เสียดายนะทัววันมันไม่เคยเจอแต่เลาความเนี่ยเป็นว่าพรามเนี่ยไปรับศีลจากพระแล้วก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์กลับมาบ้านไม่ได้อะไรมาเลยมเมียก็โวยวาย บอกว่าแกฆ่าสัตว์ไม่ได้เราตอนนี้แกรักษาศีลเนี่ยไม่เข้าใจศีลเนี่ยไล่ให้ไปเอาศีลไปคืนพระแกก็ตามพระตามไม่เจอก็ตามแล้วไปเจอเปรตอะไรต่างๆมันมีลักษณะอย่างหนึ่งนะฮะคือเปรตเหล่านั้นเป็นเรื่องของกามุปาทานคือถือมั่นในสิ่งที่ใคร่ด้วยอำนาจของความใคร่คือก่อนจะดับจิตเนี่แทนที่จะเนี่ยวอบุญกุศลมันเป็นห่วงทรัพย์สมบัติที่ฝังเอาไว้ แล้วก็ตายเป็นปู่โสมข้าวซัพย์บ้างเป็นช่างข้าวรัพย์บ้างเป็นงูเหลืองข้าวรัพย์อยู่บ้างอะไรแต่ก็เยอะทีทีทนายพรานก็เจอระหว่างทางเนี่ยคือยังนึกว่าอยากจะอยากจะหามาอ่านอีกสรอบนะเพราะอ่านมาแต่เป็นเด็กแต่นี้ก็เป็นตัวอย่างคือสอนให้คนเห็นว่าพวก อ, อุปาทานเหล่านี้ผลว่าตายเธอวางไม่วางเธอก็ต้องวางเพราะฉนั้นเราคนเราเกิดมาเนี่ยกรำมือมา เอาก็จริงแล้วเราก็ต้องแบมือไปตอนนี้ก็มี พ, พวกตายเยอะแปลกพระตายจังเลยตอนนี้รถน้ำศพเป็นเจ้าภาพกันนี่เดือนเดือนหนึ่งเขาปอสมควรนะปีหนึ่งเรียกว่าหลายศพเส็จคือเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งหลายศพไปรถน้ำเนี่ยไม่เห็นแบมือรับน้ำเลยแต่น้าก็ไหลส่วนมา ก, กรถก็ถูกหลังมือนะ แม้ในการสอนเน่งชีวิตปาคุณจะยึดก็ยึดสิแต่คุณก็ต้องปล่อยยึดได้อย่างมากแี่ก็จนตายถ้าตายคุณยังยึดอยู่เนี่ยมันก็มีปัญหาแล้วแต่เหมือนกับพิษูรรูปหนึ่งเนี่ยก็ถึงเวลาทำจีวระบงนะรู้สึกจะเป็นสบงแล้วก็พี่สาวก็จัดการให้เลี้ยงดูพระที่มาช่วยกันทำผ้าสบงเนี่ย แล้วท่านก็อยากจะคลองผ้าอยากจะนุ่งผ้าแต่พอดีฉันมากไปอาหารไม่ย่อยจะลองศรัธาพิสามากไปก็เลยก็ตายจิตมันห่วงแต่ผ้านะฮะตายไปเกิดเป็นเลนเห็นไหฮะยึดแล้วมันมันไม่ได้อะไรขึ้นมาคือคนเราจะต้องพยายามปล่อยไปยึดเนี่ยมันเป็นทุกข์อะไรก็ตามที่เป็นยึดยึดแล้วก็เป็นทุกข์ที่ท่านบอกว่า สุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขสายใจไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจถามใจตัวเองดูซิว่าต้องการความสุขหรือต้องการความทุกข์เพราะงั้นเราจะยึดอย่างไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นของเราหรือเราเป็นหรือว่าเป็นตัวตนของเราสมัยมาเป็นท่านเทศเนี่ยตามปกติก็ไม่ค่อยได้รับนิมนต์ไปงานหลวงอะไรแต่อะไรเขาอะนะ เวลาเจอพวกพวกเข้าพิธีหลวงทีหนึ่งก็บอกให้ดูบอกเนี่ยผัดผีกี่ศพแล้วไม่รู้เก่าจังเลยนะคือสแสดงว่าตั้งสมัยโบราณนะฮะคงะอาจจะเป็นเกือบร้อยปีแล้วที่ทําไปเราก็นึกว่าเออเราก็มาถือของเขาของคนเจ้าของไม่อยู่นะฮะของยังอยู่แต่เจ้าของไม่อยู่แล้วก็ต่อไปเนี่ยเราเองก็จะไม่อยู่เหมือนกัน มมีคำกรอนบทหนึ่งที่ไปพบมานานแล้วก็จํามันมันรู้สึกชอบอะคือคือคมมากที่ทันชายคำว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกใสยจะมามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าไมนเจ้ามาเห็นมหมยึดไว้ก็ต้องปล่อยแต่คืนไม่ปล่อยตายแล้วยังไม่ยอมปล่อยเนี่ยอาทีนี้จะเป็นเปรดละ จะเป็นเปรตแด้จะเป็นปูโสมแล้วจะเป็นงูแล้วจะเป็นช้างแล้วฝ้าสมบัติดีอย่างนั้นไงไปไหนไม่ได้จะมีเรื่องบางเรื่องเนี่ย ท, ที่ท่านเล่าส่วนใหญ่จะฟั ก, กัะเป็นสมผานคือสมภานในยึด ต, ติด ใ, ในวัดของตัวเองต้องไปธรา ม, มาท่านท่านนึกว่าเป็นวัดของท่านแตะท่านยึด ต, ติดพอตายแล้วก็ยังยึด ต, ติดในสิ่งเหล่านั้นในสุดก็กลายเป็นเจ้าที่ แทนทีจ่จะไปสูงสวรรค์สูงสูงไปไหนไม่รอดเ็นรายเป็นทีแล้วก็มีความมากมากและอยากเห็นผิดและความเข็นผิดเป็นผลคือความมากมากเนี่ยเป็นโลภะเจตสิกความเข็นผิดเนี่ยเป็นของเครียดทิฏฐิเจตสิกเพรู้อุปาทานเนี่ยกปจะไปจะอยากไปยึดไอยากไปยดไอยากไปยึดเห็นแม้ตัณหาอุปาทานตัณหาอุปาทานเราเห็นชัดเจน อยากคิดอยากคิดอยากคิดอยากคิดแล้วก็ผลทุ้ายเนี่ยมันไม่สามารถจะพาไปได้ไม่สามารถที่จะนำพาไปได้เพราะอะไรเพราะว่าตัวอุปาทานเนี่ยมันใกล้กับตัณหาตัณหาก็ความอยากอุปาทานก็ความยึดปัญอยากคิดอยากยึดอยากยึดอยากคิดของกูของกูของกูก็เป็น อะไรหลวงพ่อพุทธทาสเรียกว่าของกูของกูมันมันในบาลีเนี่ยท่านเล่าถึงนกชนิดหนึ่งเรียกว่านกไมฮ ก, กะถ้าถามว่าแปลว่าอะไรแมกะแมกะแปลว่าของฉันแต่แปสลสมุทรหลวงพ่อพุทธทาสก็แปลว่าของกูก็ได้นะก็แปลงนะทังคมบอกว่าเป็นคําหยาบแต่คนที่รักกันเนี่ยเขาพูดกันแล้วก็เป็นภาษาไทยแท้ๆนะฮะไม่ต้องแปลอะไรเลย เป็นภาษาโบราณแต่มาเองพูดไม่เป็นเหมือนกันก็ยังนึกงสงสัยเอ๊ะเราทำไมมันอยู่ตรงไหนได้พูดกูไม่เป็นไม่ไปหลงทางอย่างไง ก, ก็ยังงงๆตัวเองอยู่กันนะาะเราอยู่ในแวดวงที่เขาพูดอย่างนั้นนะแต่เอ๊ะทำไมเราพูดไม่เป็นเพราะว่าเราอาจจะไปเกี่ยวข้องกับพระกับวัดกับศาสนามากก็ได้นะเราก็ไม่ได้คุ้นๆกับคำเหล่านี้ แต่จริงพังแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันมันจะหายอะไรที่หนังสือหลวงพ่อพุพทธาทาสเล่มหนึ่งตัวกูของกูนะฮะนั่นก็คือแนวนกไม้หักกลับคือมันจับตัวไหนแล้วมันจะร้องไม่หั่งไม่หั่งไม่หั่งไปว่าของฉันของฉันของฉันของฉั น, นแล้วแกก็บินไปเร่ๆแล้วแกก็เอาอะไร ไ, ไปไม่ได้หลกอย่างเนยแล้วแกคงร้องอย่างนั้นนะชาติพันธุ์ขอแกก็ร้องอย่างนั้นนะ อนนี้คือลักษณะอยากคิดอยากคิดอากคิดเป็นตัณหาเป็นอุปาทานเป็นตัณหาเป็นอุปาทานทีนี้ลักษณะของตัณหานี่คือความทยานอยากเนี่ยตรงกันข้ามกับอปิ ช, ชาตาคือความปรารถนาน้อยหมายความว่าถ้าเรามีความปรารถนาน้อยเนี่ยตัวอุปาทานเองมันก็เกิดตรงกันข้ามกับสันตุจีคือความสโดวกยินดีตามมีตามได้ คือพวกที่สันโดษเนี่ยเขาไม่เคยใส่ใจแล้วมีอะไรก็เท่านั้นไม่ได้ไ่ายคว้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นวันเราจะเห็นว่าถ้าเอาธรรมะเอาสันตุไม่ใช่เอาปิชิตาคือปรารถนามากเนี่ย ที่จริงท่านท่านท่านแปลว่าปรารถนาลาโมกเลยทําไปนะปิจิาตานี่คือไม่ความอยากได้โดยไม่ใส่ใจถึงวิธีการในการได้นะเป็นอาการก็ตัญหาที่หน้ามันมืดมันไม่ได้มองอะไร้วยเหตุผลอะไรคือไม่ว่าคนบางคนไปทําชั่วทำผิดไปคอร์รัปชันไปค่าของเถื่อนไปขายยาบ้าไปอะไรแต่ออไรมากมายกิดก่อนเลยอายุ ก, ก็ตั้งเยอะแล้วอีกกี่วันจะตายแล้ว จะเอาไปไหนสิ่งเหลนี้ในสุดงดทิ้งอยู่ในโลกและสิ่งที่ตามเราไปคือบาป ท, ที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพอย่างนั้นแต่เพราะว่ามันเป็นตันหาหรือตันหานิลักษณะที่จะขาดเหตุผลตันหายิ่งมากยิ่งไม่มีเหตุผลอะไรเลยต้องการเพียงแต่บำบัดความปรารถนานตัวเอง เพาในแนวนะอุปท า, านจรงตรงนั้นข้ามกับสันตุทีที่แปลว่าสันโดดคือสันโดดเนี่ยคนคนที่ที่ที่สันโดดเนี่ยเขาไม่อยากแล้วก็ไม่ยึดนะฮะหมายความว่ายินดีตามกำลังยินดีตามที่ครอบครองอยู่แล้วก็ยินดีตามเหมาะตามควรเขาให้มามากก็ยินดีตามควรซึ่งวิธีฝึกพระเนี่ยชันสมมติว่าพระเรา พินดาบาได้ร่ำรวยก็ไปแจกแบ่งแก่คนอื่นก็ยินดีไปตามสมควรเพราะรู้เจ้าจึงสอนในพระในฉันในโรงฉันด้วยกันก็เพื่อจะได้ดูแลกันนะฮะคือองค์หนึ่งได้มากองค์หนึ่งได้น้อยอยู่ต่างจังหวัดเนี่เราเห็นในฉันเพราะว่าอยู่กรุงเทพนี่มันสภาพวัดบรรยากาศเนี่ยมันไม่มันไม่ให้คือมีลักษณะให้ต่างคนต่างอยู่ แล้วก็ไม่ค่อยพบไม่ค่อยเจอกันแต่อยู่กรุงเทพเนี่ยมาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราจะเห็นกันตลอดเลยรู้ใครเจ็บไข้ไม่สบายใครมีฉันไม่มีฉันใครมีปัญหาอะไรเนี่ยเรารู้กันหมดเลยมันเป็นครอบครัวที่อบอุน่นเราอยู่กันด้วยความอบอุน่นแล้วก็คนสมพางก็ทำตัวมันก็พ่อดูแลพระภิกษุสามเณร จะใส่เวลานั่งฉันข้าวก็ดูกันดูซ้ายดูขว า, าส่วนใหญ่คนก็จะประเคนสมผานเยอะหน่อยท่านก็ส่งไปแจกแบ่งให้แก่ลูกศิษย์เหมือนกับพอ่อดูแลลูกนะฮะมันมีลักษณะที่อบ่นและนี่คือแนวที่มันอยู่ด้านตรงกันข้ามกับตัณหาและอุปาทานทีนี้จากนั้นก็กลายเป็นภพซึ่งก็อย่างที่บอกมาแล้วว่าภพนั้น มันแบ่งออกเป็นสองช่วงนะครับพบคือกรรมได้แก่เจตนาและธรรมที่สั ม, มยุญด้วยเจตนามีอพิชาเป็นต้นก็คืออภิสังขารสามที่กล่าวไว้ในวันก่อนนนคือบุญคือบาปคืออรูปฌานหรือว่ากุศลกรรมอกุศลกรรมอันนำไปสู่กรรมมาพบรูปประพบอระรูประพเพราะกรรมมาพบเป็นเหตุให้เกิดวัตถุ หมายความว่าตัวกรรมมาพบเดเป็นเหตุโราเกิดในอุบัติภพเ พ, พราะงั้นพบมันจึงมีสถานะซ้อนกันอยู่สองอย่างมันจะหมายถึงกรรมก็ได้หมายถึงสถานที่ที่กรรมนำไปอุบัติก็ได้คือหมายถึงที่อยู่ก็ได้แล้วก็หมายถึงเหตุให้ไปอยู่ในสถานที่นั้นก็ได้แค่แค่กรทานนะเราจะเห็นว่าหมายถึงเจตนาในการให้ก็ได้หมายถึงสิ่งที่เราให้ก็ได้หมายถึงสถานที่ที่เราให้ก็ได้ จะโเรียกว่าโรงทานหรือว่าวัตถุทานหรือว่าสังคทานหรือว่าเจตนาเป็นเหตุได้ให้ทานหรืออะไรเนี่ยมันก็อยู่ในในแวดวงเดียวกันดังนั้นเรื่องของพบมันจึงเป็นผลพวงที่มาจากตัณหามาจากอุปาทานแล้วก็นําไปสู่พบเพราะเหตุเด่นว่าตัณหาก็ดีอุปาทานก็ดีก็เป็นเหตุได้ทํากรรม ถ้าตัณหามากว่าประธานมากกว่าอภิุจนมันมากก็กลายเป็นอปุญญาวิจังขาดมากคือบาปเนี่ยมันมากทีนี้ถ้าตัณหามันจางลงไปนะฮะตัณหาจางลงไปเราอย่าลืมว่ามันมีธรรมะตัณหาอยู่ด้วยตัณหาเป็นกิเลสประเภทสร้างถ้าเราควบคุมมันนะฮะอย่าให้มันควบคุมเราเนี่ยมันจะเป็นการสร้างสรรพัฒนาที่มีระบบ แล้วก็จะเพิ่มเหตุผลขึ้นมาเขาก็จะลืมว่าพวกนี้มันเป็นพวกโลภะกับทิฏฐิทีนี้เมื่อมีทิฏฐิมันก็มีความหมายมันก็พัฒนาส่วนทิฏฐิให้มันเป็นปัญญาขึ้นแล้วควบคุมทิศทางของความอยากอะไรควรอยากไม่อยากแล้วก็อยากได้มากอยากได้น้อยอยังไง ก็ใช้ความเพียรพยายามด้เหมาะสมกับกรณีนั้นนั้นมันก็ทำให้คนบรรลุผลที่ที่ตนต้องการในระดับการครองเรือนระดับศีลธรรมจัญญานะฮะไม่ได้พูดระดับมังพุธนิพพานือยังไงก็ตามแม้จะพูดปฏิจจสมบัติแต่ก็จะถึงจุดหนึ่งเราก็มามองระดับศีลธรรมจัญญาคือมองในกรอบที่เราสามารถประพฤติปฏิบัติได้ สามารถรู้เท่าทันถึงกลุ่มทุกศาสตร์ได้สามารถที่จะทำกลุ่มของสมุทัยศาสตร์ให้จางคลายบรรเทาลงไปได้ถึงเราจะเห็นว่าพอมาถึงจุดตรงนี้มันก็กลายเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งมันเหมือนกับตอนหัวคือเหมือนกับตอนหัวคือพวกอะไรล่ะอวิชาสังขาร วิญญาณนามรูปนะมันก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันก็นกมาตัณหาอุปาทานพบมันก็เหมือนกับวิชากระสังขารทีนี้พอมาถึงอุบัติภพกับชาติเข้ามันก็กลายเป็นนามรูปจึงซึงจึงจะกล่าวในโอกาสต่อไปนะบทีนี้พบที่พระพุทธเจ้าส่งจาแนกแสดงไว้แค่สามภพ กามรูพบรูพปรูพบซึ่งจะกล่าวในโอกาสต่อไปต้องฟังทั้งหลายแต่มปโุตญาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วเวลาพิ่าน้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบูรณในธรรมจุมมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี